อาวตะตัวนี้เป็นพัตะเพราะในบาลีวอร์วนเป็นพอพานได้วัตตะจึงเป็นภตะแต่ไทยเอาเป็นพรสโดยใช้คําสันสกฤตคือแปลาจากบาลีไปเขียนอย่างสันสกฤตกลายเป็นพรสศีละบวกพตะสอนพอพานเข้าไปตามหลักภาษาของเขาก็เป็นศิลับพัตะแล้วก็แปลว่า ศีลและพรตกำหนดไว้ให้ดีว่าวัตตะคือวอร์แวนต่อเต่านี้แปลว่าพัตตะแล้วเป็นพรตไม่ใช่วัตตะที่สะกดด้วยวอแหแวนไม่หันอากาศต่อเต่าสองตัววัตตะที่แปลว่าวัตสะกดด้วยต่อเต่ารอเรือเป็นคนละคำอิจวัตเป็นต้นไม่อยู่ในวัตต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 คือวรวนต่อเต่าก็คำหนึ่งส่วนวัตต์อีกเขียนด้วยวแหวนต่อเต่าพินทุต่อเต่าเป็นอีกคำหนึง่งวัตต์เป็นพระถวัตต์เป็นวัดสําหรับในคําว่าวัตต์และวัตต์เวลาฟังอาจจะคล้ายกันมากนะครับท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือไปตรวจสอบได้ฟรีจากทางเว็บไซต์ของวัดนะครับ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 เป็นความผิดพลาดเลยเถิดไปเพราะเจตนาของใจที่ขุ่นมัวโง่เลอะก็เลยยึดถือไปตามกิเลสที่เป็นเหตุต่างๆคือหนึ่งศิลปะปรามาด้วยโมหะคือยึดถือด้วยโมหะคือด้วยหลงโง่งมงายปฏิบัติตามๆเข้าไปอย่างนั้นๆโดยไม่รู้เรื่องโดยไม่รู้ความหมายไม่รู้ความมุ่งหมายอย่างที่ว่าแล้วเขาสอนมาอย่างนั้น